หรืออานิสงส์ที่เราจะได้จากการถือจีวรสามผืนนี้มีมากเหลือเกินคือทำให้เราเนี่ยไม่ติดไม่ติดในจีวรต่อตมาเห็นท่านสมภานบางวัดแล้วสงสารท่านถ้า น, นั่งอุปชาบ้างไปสวดอะไรต่ออะไรบ้างไปชัดบางตระกูลบ้างจีวรท่านเก็บเอาไว้ใส่หมดในตู้เสร็จแล้วปลวกกิน ท่านเองก็ไม่ได้ขมเย็นหน้าเสียดายไม่รู้เก็บเอาไว้ทําไมควรจะถวายพระท่านไปแจกพระแจกนี้เนี่ยท่านเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยน้าเสียดายมากมีบางองค์บางองค์ท่านก็ดีนะหลวงตาท่านเคยท่านเคยมาถวายสมาเป็นหลังๆพระอาบบั้งตะบองบ้างถามมาพอมาถึงก็บอกว่าะอาจารย์ผมเอา ตะบงภาอามจีวรถวายฝากไปแจกเมนที่วิทยาลัยด้วยมาของแม้ขอบคุณหลวงพ่อครับผมจะไปแจกให้แต่พอเปิดไปแล้วแม่บางผืนนี่สีตกหมดเลยสีตกหมดเพราะว่าท่านเก็บเอาไว้นานเก็บเอาไว้นานปายผ้าก็เสื่อมคุณภาพเนี่ยเรื่องที่ให้ถือธุดงสามผืนนี่สมาว่าเป็นการขัดเกลาด้วย คือทําให้เราเนี่ยไม่สั่สมผ้าไม่สั่สมผ้ามากเกินไปทุดงข้อนี้อาตมาเคยแนะนําโยมเพรา ะ, ะโยมบางคนบอกว่ามีเสื้อผ้าอยู่ร้อยกว่าชุดอาตมาตกใจบอกตายยริงคนเดียวนุ่งยังไงร้รอยกว่าชุดบอกมีร้อยกว่าชุดชุดเดียวาทีนุ่งครั้งเดียวแล้วก็ไม่นุ่งอีกต่อไปบอกทำไมไม่นุ่งอีกก็บอกว่าล้าสมัยไม่ยอมนุ่งอีก บางคนบอกอย่างดีที่สุดนะนุ่งสองครั้งสามครั้งแล้วก็ไม่ได้นุ่งทีเนี่ยฟุ่มเฟือยเหลือเกินคือเสียดายถ้าหากว่าสมาทานทุดงสะบัางอสมาควรี <c oughs> คืออย่าเ <c oughs> อาสาถือแล้วเพียแค่สาบชุดก็ยังดีว่าเราขอสมาทานทุดงว่าเราจะขอนุ่งท้าสามชุดอย่างเนี้ยจะทุ่นสตาร์ได้ตั้งแยะมีคนเดียวร้อยกว่าชุด สมัยที่ตมารับบริจาคไปช่วยน้ำาุม่มแหมโย บ, บางคนรวยผ้าจริงๆห่อสมาธิเป็นลังๆเลยบอกนี่คนเดียวแล้วผ้ายังดีๆยังใหม่ๆไปแจกตามบ้านนอกแหมชอบอกชอบใจกันมาได้ผ้าใหม่ได้นุ่งเนื้อผ้าก็ดีๆเนี่ยวการไม่ไม่รู้จักประมาณในการนุ่งผมก็ทำให้ เกิดความพุ่งเฟือยโดยไม่มีประโยชน์เหมือนกันนั่นพระที่ถือผ้าสามผืนเนี่ตามพระวินัยก็คือเพื่อให้พระรู้จักรู้จักประมาณรู้จักถือสันโดษแทนที่จะใช้ผ้ามากเกินไปก็ใช้เพียงแค่สามผือนอย่างนี้เรียกว่าแตจีวริสังขะทุดงซึ่งเป็นทุดงประเภทที่สองที่ถือผ้าเออสือผ้าจีบอลเพียงสามผืน แล้วก็ไม่ใช้เกินสามือนี้ <c oughs> ประเภทที่สามบินทะปาติกังคะคือประเภทนี้ประเภท ถ, ถือถือธูดงด้วยการบินทะบาทเป็นวัดก้าประเภทนี้โยมจะไปนในมณ์ชันที่บ้านไม่สาเร็จนอกจากว่าท่านจะต้องเอาบาทไปได้วยลูกหนึ่ง โลภะที่สมาทานพุกอง้อนี้จะต้องฉันในบาตรแล้วก็ถือการบินทบาทเป็นวัดเช้าขึ้นต้องบินทบาท่ะได้มากบ้างน้อยบ้างก็เนี่ยถือบินทบาทเป็นวัดประเภทนี้เรานิมนต์ไปฉันสําหรับกับข้าวอะไรไม่ได้เพราะว่าผิดทําให้พุกองที่สมาทา น, นนั้นเสียไป นั้นเราไปนิมนต์ท่านบำบาสนอกจากท่านจะต้องเอาบาตของท่านไปด้วยแล้วก็เวลายโยมจะถวายพระตาหารก็พ ร, ระตาหารเนี่ยใส่บาตของหวานของขาวอะ้รก็ใส่บาตแล้วท่านก็คลุกๆ ก, กันแล้วก็รับประทานต่อคือชั้นในบาตของขาวของขา ว, ข อ, ข, าวของหวานเนี่ยปนกันทั้งหมดอยู่ในบาตอันนี้อย่างนี้เรียกว่าปินทบาติกังขะทุรงประเภท สมาทานธุดงด้วยการบินทะบากเป็นวัดอีกประเภทหนึ่งก็คือสัพพธานะประเภทสัพพธานะจาริกังคะธทุดงนี่คือทุดงที่ถือการปฏิบัติที่เนต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายคือถือการบินทะบาทไปตามลำดับเรือน เช่งสมมติว่าพระท่านเดินผ่านไปแล้วเนี่ยโยง ม, มาถือสมบัติขอ้าวมาที่หลังเอ๊ะพระผ่านไปนีม้วนก่อนเจ้าข้ากลับมารับบาตก่อนพระที่สมาทานทุต่งอย่างนี้กลับไม่ได้นะเขาจะต้องเดินหน้าไปตลอดเวลาถ้าโยองรู้โยงจะต้องวิ่งไปสกัดหน้าไปเตรียมใส่ข้างหน้าเพราะท่านจะต้องตามําดับเลือนไปไม่เวียนมาเลือนนี้อีกเมื่อผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปเลยไม่ขาดระยะ ในโยมบางคนไม่เข้าใจก็เอะพระนิมนต์แล้วก็ไม่รับบาตรความจริงท้าสมาทานทุดงข้อนี้ท่านหวนมารับไม่ได้เราจะต้องจะต้องถือสำรับเนี่ยใส่ดักใส่ข้างหน้าดินี่เป็นสปัปทานะจาริกังคะทุดงที่ต้องต้องอาศัยการสมาทานด้วยและอีกประเภทหนึ่งคือประเภทเที่ห้าคือเอกาศนิกงังคะ เอากาสานิกังฆานีคือประเภทถือเอากาสนะเอากาสนะเนี่ยหมายความว่าถืออาสนะเดียวนั่งขันที่ตรงไหนจะต้องนั่งขันตรงนั้นนหะย้ายที่ไม่ได้อยู่กับที่ถืออาสนะเดียวนั่งชันตรงนี้ก็ต้องนั่งชันตรงนี้ตลอดไปเดี๋ยอย่างนี้เรียกว่าเอกาสานิกังฆะสุดกคือฉันในที่แห่งเดียวในอาสนะเดียว นีเรียกว่าเอากาสศนิการฆานี้ประเภทที่หประเภทปัตตาคำว่าปัตตาพันที่การคฆาทุโดงเนี่ยคือประเภทฉันในบาทหรือภาชนะอันเดียวไม่มีสองไม่ฉันภาชนะสองใช้ผัดใช้ภาชนะหนึ่งก็คือใช้บาทลูกเดียว ที่เราเรียกกันว่าฉันสมรวมฉันสมรวมประเภทนี้ก็คือมีอะไรก็รวมกันอยู่ในภานชนะเดียวเนี่ยจะมีแกงนอกสํำรับอีกถ้วยหนึ่งไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่เป็นปัตตาพินที่กลางข้าปัตตาพินทีกลางข้าวจะต้องมีบาตลูกเดียวแล้วก็ไม่มีฝาบาตมารองอาหารไม่มีถ้วยชามอะไรเป็นลูกที่สองขึ้นมาละ่ะต้องเป็นลูกเดียวเท่านั้นประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ฉันง่าย คือจะต้องไม่แยกอาหารทำให้เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคของหวานของขาวอะไรก็ตามจะเป็นรสอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่คํานึงถึงรสของอาหารแต่ว่าเพื่อจะฉันภาชนะนี้เพียงภาชนะเดียวเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าปัดปะปินที่กังขะทุดมประเภทที่เจ็คารุปัดฉาพัดที่กังขะทูดมคาว่าคารุหรือคุ กระศัพท์นี้เป็นเป็นสัพพิเศษคือห้ามห้ามเนมี่ยหมายความว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าพระรูปนี้ท่านตั้งใจจะลงมือฉันละอาหารเนี่ยจะต้องพร้อมก่อนฉันพอฉันเสร็จแล้วจะมีอาหารอะไรมาเสริมภายหลังอีกนี่รับไม่ได้ไม่รับ รับเฉพาะที่มีฉันเท่านั้นจะมาถวายภายหลังอีกไม่รับแล้วนเรียกว่าคารุปรัญฉาพัตติกังคภุตุลมคือพอสมาทานแล้วแล้วก็จะต้องงดเว้นอาหารที่มาถวายภายหลังนี่ประเภทที่เกส่วนประเภทที่แปดอารันยิกังคภุตุดงนี่เราเรียกในสมัยก่อนว่าอารัญยวาสีหรืออารัญญวาสประเภทนี้คือถือการอยู่ป่าเป็นวัด อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยคือไม่อยู่ไม่ปลูกอุติอยู่นะไม่อยู่ในวัดแต่ว่าไปอยู่ป่าป่านั้นก็คือมีต้นไม้มีเขามีถ้าอย่างเนี้ยเรียกว่าอารันยิกะทุดงเมื่อสมาทานแล้วมาอยู่อุติไม่ได้ต้องอยู่ในในป่าตลอดเวลานี่เป็นทุดงประเภทที่แปดประเภทที่เก้าลุกขมูริกังคะเมื่อสมาทานแล้วจะต้องอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดจะไปอยู่ ใต้ชายคาอยู่ใต้ถุนอยู่กุดีไม่ได้ทั้งหมดต้องอยู่โคลนต้นไม้ประเภทนี้เรียกว่ารุกขมูรีกังางถ้ประเภทที่สิบนี่สมาทานอุกฤษหน่อยคือแม่แต่ชายคาบ้านก็เข้าไม่ได้ต้องอยู่กลางแจ้งตลอดเวลาท่านหลายคงจะจำได้ในสมัยที่คณะสงฆ์เชิญโยมมุยเย็นถ้าเขากระบอก เราไปรูกติมาสอบสวนที่วัดบางเขนวัดพรศรีมหาธาตุโยมเมียนเนี่ยกับพระท่านสมาทานอัพโภกาสักผูดงคืออยู่การแก้ข้ารลงไม้ใช้ขาวไม่ได้ทีนี้พระผู้ใหญ่บางองค์ท่านไม่เข้าใจท่านจะไปนิมนต์พระมาสอบสวน ในกุฏิหรือในห้องประชุมเนี่ยเข้ามาไม่ได้เพราะว่าถ้าสมาทานคุโรประเภทนี้ท่านตา อ, อยู่กลางแจ้งตลอดเวลาฉังนั้นพระที่จะไปสอบสวนก็ต้องไปนั่งสอบกลางแจ้งต่อนุโรกตามวินัยนะจะไปบังคับให้ละวินัยไม่ได้ผิดด้วยอต้องเคารพเพราะสุดท้ายเจ้าหน้าที่สอบสวนต้องไปสอบสวกนกลางแจ้งสมัยนะัสามมนตรีปกครองต้องไปสอบกลางแจ้ง เนี่ยประเภทอโภค ก, การสิกังขานี่คือเข้าสู่รบกไม้ชายคาไม่ได้จะต้องอยู่การแจ้งตลอดเวลามีเป็นทุดงประเภทที่สิบประเภทที่สิบเอ็ดคื อ, อประเภทที่ถือโสสารีกังะทุดงเนี่ย โสาริการ้าธุดงนี่เป็นเป็นทุดงที่ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะได้สมาฐานรักษากันเท่าไรนักเพราะว่าปฏิบัติยากประเภทนี้สำหรับอภโฟกาสนั้นก็เห็นมีอยู่แต่ที่นี่ย ที่ถ้าเขาก็บอกแต่คงจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ปฏิบัติกันทั้งปีนะสือธุดงนี่มีเขตบางทีเราเห็นว่าลําบากมากเราก็ปฏิบัติเพียงเดือนหนึ่งหรือสองเดือนว่าระหว่างสองเดือนเนี่ยเราจะไม่เข้าชายคาเราจะอยู่กลางแจ้งก็ต้องตั้งใจไว้ว่าจะรักษากี่เดือนไม่ใช่หมายความว่าตลอดไปเพราะว่าพระที่ออกธุดงนี่ท่านก็จะต้องกลับกลับวัดของท่านอีกเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะทุดงกันได้ตลอดไปโดยที่ไม่ต้องกลับวัดท่านก็ต้องกลับวัดเพราะฉะนั้นทุดงต่างๆเหลา่านี้ส่วนมากแล้วก็สมาทานกันเพียงชั่วระยะหนึ่งชั่วที่คันพอจะประพฤติปฏิบัติกันได้ถ้าหากว่ามากไปกว่านี้แทนที่จะเป็นประโยชน์บางทีก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเหมือนกัน เพราะว่าความเป็นอยู่ของปลานั้นจะอยู่โดยเคร่งครัดตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ได้จะต้องมีมัชชิมาปฏิปทาบ้างตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีจะต้องอยู่ในระหว่างมัชชิมาปฏิปทางั้นทุดงต่างๆที่ท่านได้วางบรรัญญัติไว้ทั้งหมดทั้งสิบสามประเภทนียถ้าหากว่าพระสงฆ์ท่านจะปฏิบัติกันทั้งหมดแล้ว ก็เป็นเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของความลําบากอยู่มีทุกองค์บางข้อเท่านั้นที่สามารถจะปฏิบัติได้ตลอดชีวิตเช่นอย่างทุก อ, องประเภทถือจีวรสามผืนอย่างนี้ปฏิบัติได้ตลอดชีวิตแล้วก็ประเภทฉันทัตตาหานเพียงมือเดียว ฉันตาหาเสียงมือเดียวตลอดชีวิตอย่างนี่ยถือได้หรือจะถือการฉันพาชนะพาชนะเดียวตลอดชีวิตก็ถือได้ตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นชีวิตในพรหมจรรย์เพราะว่าเมื่อสึกแล้วเป น, นั้นว่าทุ ด, ดงก็เลิกกันไปแต่ถ้าหากว่ายังไม่สึกยังเป็นตะอยู่ก็จะต้องรักษาอย่างนี้ตลอดชีวิตตามที่ตนเองสมาทานไว้นี่เป็น เรื่องของการเวลาที่แต่ละท่านที่แต่ละท่านจะสมาทานรักษากันนิทุดงประเภทโสสานิกังคะเนี่ยที่กล่าวว่าเป็นทุดงที่ไม่ค่อยจะรักษากันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยป่าช้าหายากทุดงประเภทนี้ประเภทถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดคือพระที่สมาทานทุดงเหลานี้ต้องอยู่ตามป่าช้า อยู่ที่อื่นไม่ได้ทีนี้ป่าช้าเนี่ยเฉพาะในป่าช้ากรุงเทพเมีตมาว่าถ้าใครไปอยู่ก็เห็นถ้าจะสองสามวันทนแย่เพราะต้นไม้ก็ไม่มี ม, มีแต่ที่บรรจุศพยังมีอยู่ก็ในชนบทป่าช้าบางแห่งยังเหลืออยู่บ้างป่าชานะ้าเป็นที่อยู่ของพระประเภทโสสารที่กลางขาดทุดม ทราบว่าองค์ใดที่สมาทานทุรงมประเภทนี้ท่านจะต้องอยู่แต่ป่าช้าตลอดเวลาซึ่งพระเทรราชสมัยก่อนบางท่านเนี่ยคือเคร่งครัดมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เจริญอสุภากรรมาฐานคือการอยู่ป่าช้าเนี่ยก็ได้กำไรอยู่ตรงที่ว่าได้อยู่ใกล้กับศพรากศพที่ตายแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ซากศพเนี่ยมานั่งปรงอสุภกรรมาฐานได้ ทำกรรมฐานาด้วยการเพ่งทราบศพเป็นอารมณ์อันนี้เป็ น, ปนผลกําไรที่ได้จากการถือผุโด่งข้อนี้แต่ปัจจุบันนี้เห็นถ้าจะหายากเพราะว่าปัจ ช, ชาที่จะฝังศพไว้ตื้นๆหรือเอาศบไปทิ้งไว้เฉยๆโดยไม่ต้องฝังนั้นผิดเทศมัญญะดังนัปัจจุบันนี้เราจึงไม่มีศพประเภทนี้อันนี้เป็นการบรรเทาบรรเทากรรมฉันทะหรือราคะต่างๆที่เกิดขึ้น จากการประพฤติปฏิบัติทโดงข้อนี้ทโดงข้อที่12คือยะถาสันญาติการข่าทโดงทโดงเหล่านี้เป็นทโดงที่ให้ถือเสนาสนะเพียงหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักสันโดษในเรื่องของเสนาสนะ ถ้าสมาธานทุดงข้อนี้แล้วเรื่องเสนาสน์นี่ไปเลือกไม่ได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่เสนาสนจะจกเสนาสนะประเภทไหนให้ก็ต้องมีความยินดีต่อเสนาสน์อันนั้นประเภทที่ยะถาสันทิกาทุดงซึ่งเป็นประเภทที่สิบสองส่วนประเภทที่สิบสามเนสัตชิกังคะทุดงนี้ พวกเนสัทธิกังคะผูดงนี่เป็นเป็นธุ้ดงที่พระภิกษุสมาทานแล้วไม่มีการนอนออบางองค์สมาทานอริยาบทเพียงสามคือโดยปกติเนี่ยคนเราจะต้องยืนเดินนั่งนอนถืออริยาบทสีแต่พระที่สมาทานธุ้ดงอย่างนี้ไม่มีนอน ยืนเดินกับนั่งนอนไม่ได้ต้องพิงนั่งหลับใช้วิธีนั่งพิงหลับไม่นอนคือถ้าหากว่าเริยาบทสี่เนี่ยขาดไปเริยาบทใดเริยาบทหนึ่งเราจะรู้สึกว่าแม่ไม่สบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเริยาบทนอนอย่างน้อยวันหนึ่งขอให้เราได้ยืดเอ็นกายนอนให้เต็มที่เหยียดให้เต็มที่สักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกเราสบาย แต่ถ้าไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยท่านทั้งหลายลองคิดดูซิว่าจะเป็นยังไงบางทีก็ให้โทษเหมือนกันในสมัยที่หลวงพ่อบัตน้ำท่านอ า, าพาธอยู่ตอนใกล้บรณนาภาพเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นผู้เคร่งในการปฏิบัติสมัยนั้นอาตมา ย, ยังอยู่ที่วัดปากน้ำาระบวญอยู่ที่นั่น ท่านจะถือริยาบทเพียงสามริยาบทไม่มีนอ น, ดนเดินเดินและก็นนะั่งที่เดินจกงกรมของท่านเนี่ยเป็นมันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ยอมนอนพอเดินสักครู่หนึ่งท่านก็มานั่งสมาธิเวลาท่านจะพักผ่อนท่านก็พักผ่อนในสมาธินั่งทำสมาธิเนี่ยพักผ่อน พลสุดท้ายร่างกายเนี่ยทนไม่ไหวอาภาคหนักและก็ถึงซึ่งบรรณาภาพลง เ, เรื่องทุดงประเภทนี้ท่านจักรุปาาะเทระก็เคยปฏิบั ต, ติจนตาบอดทั้งสองข้างด้วยการไม่นอนอันนี้ก็เป็นการบำเพ็ญความเพียรขั้นปูกกริบคือใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยบำเพ็ญทาตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเห็นว่าเวลาที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยน้อยแทนที่จะนอนเสียเวลาไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็ไม่นอนแต่ใช้เวลาเนี่ยเดินจงกรมบ้างปฏิบัติบ้บางนั่งทําสมาธิหลังจากนั่งทําเสร็จแล้วก็ขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิถือเรียบทสามในนี้ตลอดเวลาข้อนี้ถ้าหากว่าเราจะสมาทานจริง เดือนสองเดือนนี้อจะมาประทับได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายไม่ดีแล้วไปจะไปฝืนทำเพราะว่าบางทีก็ให้โทษเหมือนกันเราจะทํานานตลอดไปก็ไม่ได้เพราะว่าคนเราวิรยาบทสี่ต้องสม่ําเสมอกันถ้าอริยาบทสี่ไม่สม่ําเสมอกันไปตึงทางใดทางหนึ่งแล้วก็ตายทช่นนั้นนะ่ะยืนอย่างเดียวก็ตายโดยถ้าหากว่าไม่มีเดินมีนั่งมีนอน นอนอย่างเดียวไม่ลุกขึ้นยืนเดินก็ตายอิริยาบถไออริอยาบถหนึ่งต้องให้สม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นทุโดงข้อนี้ที่บางท่านสมาทานแล้วเราจะพบว่าท่านไม่มีนอนเลยท่านเหล่านี้จะไม่มีวันนอนมีเดินแล้วก็นั่งยืนทุโองข้อนี้เคยมีอย่างพระที่ท่านเดิน ทุดงเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่ากรดพระเนี่ยตรงกลางมีด้ามอยู่ด้ามกรดมีอยู่ตรงกลางอันหนึง่งพระที่เดินทุดงนี่ท่านจะต้องรู้หลักปฏิบัติเช่นการโยงสายอัพโคลการสายที่โยงลงมาเนี่ยเขาเรียกสายอัโคลการเวลาที่ท่านจะไปปรับกรดทุดงที่ไหนท่านจะต้องเลือกดูสถานที่ก่อน พอดูสถานที่เสร็จแล้วว่าสถานที่นี้ท่านจะปักกรดถ้าปักแล้วก็ถอนไม่ได้เลยที่ท่านถือเคร่งๆท่านถือเคลดว่าเมื่อปักแล้วจะต้องถอนไม่ได้ที่ตรงนั้นจะมีงูมีมดอะไรก็ตามถอนไม่ได้งั้นเมื่อท่านเอาการการรมเนี่ยหรือการกรดเนี่ยปักลงท่านก็ดึงสายอัโปกาศสามสาย เพื่อกันไม่ให้ลมเนี่ยตีลมและเวลานอนท่านจะมีมุ้งห้อยลงมากันยุงรอบเวลาจำมัดก็ต้องขดตัวกับคันกลมเนี่ยคันกลมี่มีสองต่อสองท่อนท่อนหนึงถอดได้เวลาท่านจะย้ายที่จะเกิดยกขึ้นแล้วเอาท่อดที่ปักอยู่กับดินเนี่ยมาม้วนผูกติดกันแล้วก็แบกเดิน การปัดกรดทุดงนี่ท่านมีวิธีปฏิบัติถ้าบอกถ้าหากว่าเราปัดผิดที่ก็ดีหรือว่าทำไม่ถูกก็ดีจะอยู่ในกรดเนี่ยไม่เป็นสุขตลอดคืนบางองค์บอกมดขึ้นบางองค์ก็โดนงูงูเนี่ยมากวนและท่านก็นยานไม่ได้พระที่ถือเนสัตชิกังขะทุดงนี่ เวลาท่านปักกรดเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะนั่งเอาหลังพิง ก, างก้านกรดพิงหลับเช่นนั่งหลับนะไม่ไม่ได้นอนะพิงแล้วก็หลับไปเนี่ยเป็นเป็นการปฏิบัติที่อุ ก, กริดอยู่คือเดินทั้งวันแล้วก็ยังจะมา น, นั่งหลับอีกระหว่างที่นั่งหลับเนี่ยคือคื อ, ค อ, คอนั่งทําสมาธิไปด้วยเมื่อทําสมาธิเสร็จแล้วก็หลับไปเลยก็งีบเรียนพงสองชั่วโมงสามชั่วโมง เหมือนอย่เรานั่งหลับบนรถไปรถเมลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราน่าหลับเรายังสบายกว่าที่ท่านนั่งหลับเพราะว่าท่านนั่งกับที่พื้นเรียบถ้าหากว่าพระธุดงที่เดินทุดงในกลางป่าไม่รู้ไม่รู้วิธีการแห่งการเดินธุดงท่านบอกว่าเป็นอันตรายเหมือนกัน ในสมัยก่อนพระก่อนจะเดินป่านี่จะต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนก็คือจะต้องอยู่ปริวาสกรรมการอยู่ปริวาสกรรมนี้จะต้องอยู่มานัดด้วยเมื่อเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วจึงจะเดินทุดงปักหลดที่ไหนอันตรายไม่มีแต่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วปักหลดที่ไหนมดขึ้นที่นั่นมดแดงบ้างโูบ้างตะคาบบ้างมาปวนอยู่ตลอดเวลา แต่นี้บางแห่งเช่นอย่างพระที่ทุดงไปตามชายแดนอันตรายมีมากเหมือนกันอันตรายเนี่ยเกิดมาจากเช่นพว ก, กะเรียนพวกเนี่ยเลื่อมใสก็เลื่อมใสประเภทอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์บางแห่งทดลองพระทุดงแบบชนิดที่ดุร้ายพระทุดงเวลาทุดงไปเนี่ยไม่กล้านอนในกร คือพอไปปากกรดข้าวกรดถูกลองดีตอนกลางคืนทันทีทีท่อาปืนยิงไปในกรดเฉยๆก็ได้เอาปตูงเข้าไปในกดรดกลาสุดงบางองค์ท่านฉลาดพอปากกรดเสร็จการมุ้งเสร็จท่านก็ย่องออกจากกรดไปนอนโคนต้นไม้กลางคืนในพวกมันตัดตูงตูให้ก็ไปเป็นลายอยู่กรดต้นไม้ เสร็จแล้วชาาขึ้นท่านออกบินทบาทเฉยแม้พวกนั้นเลื่อมสายกันใหญ่ อ, องค์นี้แน่แท้ๆเปล่าะหลวงพ่อลบออกไปแล้ว <c oughs> แกก็ยิงเนี่ยพระสุดมโหงนี้เก่กอันนี้เป็นผลพลอยได้ทำให้กระเหลี่ยงเลื่อมสายมาแยกเหมือ น, นกันพระสุดมโหงถ้ามาเล่าให้ฟัง <c oughs> เนี่ยไปแอบยิงกดท่านาสาวผูชนทั้งหลายการบรรยาย ในวันนี้อาตมาได้เกริ่นไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสมาธินิเทศที่ท่านพุทธโธสอาจารย์ท่านได้รจนาไว้ในคำภีวิสุทธิมรรคครั้งก่อนๆมาได้อธิบายถึงสีลนิเทศและทุดงคณิเทศให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้วตอนหนึ่งหรือนิเทศหนึ่ง เรื่องศีลกับเรื่องทุดงนั้นเป็นเบื้องต้นของการขัดเกลาหรือเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความบริสุทธิ์แต่ว่าหลักการปฏิบัติในถ้มกลางนี้ท่านได้วางหลักสมาธิไว้ที่เรียกว่าสมาธินิเทศเรื่องสมาธินี้เป็นเรื่องที่ปัจจุบันสาธุชนได้สนใจกันมากถึงเรื่องของการทําสมาธิจิต แต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจโดยแจ่มชัดว่าสมาธิในพุทธศาสนานั้นมีหลักปฏิบัติอย่างไดบ้างเพราะปัจจุบันนี้บางท่านเองก็เกิดความลังเลใจไม่ทราบว่าจะไปปฏิบัติสมาธิที่สำนักไหนดีเพราะสำนักนั้นก็บอกว่าสำนักนี้ปฏิบัติไม่ถูก สมนักนี้ก็บอกว่าสมนักนั้นปฏิบัติไม่ถูกแล้วก็เลยตัดสินกันไม่ได้ว่าสมณต์ไหนถูกสมนักไหนผิดเรื่องการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องสําคัญอาตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าหลักการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าเป็นเรื่องของสัมมาสมาธิหรือเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของปัญญาแล้ว หรือเป็นเรื่องของสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามถ้าหากว่าปฏิบัติตามหลักที่ท่านวางไว้ก็ถูกต้องทั้งนั้นไม่มีใครผิดคือเราจะเกณฑ์ให้แต่รสมนักมีการปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แม้สาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวกันได้ทั้งหมด เพราะเรื่องการทำสมาธินี่เป็นเรื่องของจิตพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเพียงอย่างเดียวได้สอนหลักปฏิบัติไว้มากมายหลายสิบอย่างมีปรัชนาก็มีตั้งหลายอย่างเฉพาะสมถานี่โดยอารมณ์ของสมถะที่เป็นอารมณ์ใหญ่ๆแล้วมีถึงสี่สิบอย่างถ้าจะรวมทั้งสติปัฏฐานสี่ด้วยในสติปัฏฐานสี่นั้นก็มีหลักปฏิบัติทั้งมากมายหลายอย่าง ทั้งที่เป็นสมถะและทั้งที่เป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นการศึกษาให้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติโดยถูกต้องว่าสมาธิในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีกี่อย่างแต่ละอย่างนั้นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะเป็นเรื่องที่ไม่หนะักและไม่ค่ยเยขวะสำหรับการปฏิบัติของสาุชนเพราะในปัจจุบันนี้เราไม่ได้สอนกันในด้านหลักพิชา บางทีผู้ที่ไปนั่งหลับตาเองก็ไม่รู้ว่านั่งหลับตากันไปทำไมพอเห็นคนนั่งหลับตาก็คิดว่าเป็นวิปัสนาไปเสียหมดแม้ผู้สอนก็ไม่เข้าใจว่าหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทและก็แต่ละวิธีแต่ละวิธีที่ท่านได้ ว, วางไว้นั้นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรท้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติ หมายความว่าเคยปฏิบัติแต่ละวิธีเหล่านี้มาแล้วด้วยจึงจะเข้าใจในสภาวธรรมโดยถูกต้องได้ถ้าหากว่าไม่ผ่านการปฏิบัติก็ยากอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยอารมณ์หรือวินิจฉัยสภาวธรรมเพราะการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องละเอียดแต่ละคนเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างถ้าหากว่าผู้ที่ไปควบคุมหรือแนะนําการปฏิบัติ ไม่เคยผ่านการปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนก็ไม่สามารถ